ท ำ, ทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยทำชั้นไหนก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยใครจะร้องเรียกหาหรือไม่ร้องเรียกหาทำทั้งหลายเหล่านั้นก็มีอยู่ทําไมพระบรมศาล า, าจึงให้อาราธนาเพื่อมาโปรดสัตว์ จึงได้มีพรมไปอาราธนามาพปรดก็พระบรมศาสดาปรารถนาจะสร้างบารมีมาเพื่อรื้อสัตว์ออกจากวัตะสงสารอยู่แล้วทำไมจึงได้อาราธนาที่ว่าพรมมาจรโรกาที่ปฏิสัมปติคือสัมบวีพรมเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทำตามรำเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่เฉยๆหรอกดอกบัวสีเราก็มีอยู่ทุกการดอกบานก็จะบานเต็มภูมิดอกตูมก็จะตูมเต็มภูมิดอกเสมอนม้ําก็จะเสมอหน้ําเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้หนา้าเต็มภูมิมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกขณะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไ ม, ม่เป็นปัญหา ใครจะนับถือหรือไม่รับถือก็ไม่เป็นปัญหาพระพุทธศาสนามีอยู่ทรงอยู่อริยสัจสี่ไม่มีใครทําลายได้และก็ไม่มีมใครเทริดที่สุดให้มากกว่าไปไปกว่าเก่าได้อีกเหมือนกันเต็มบริบูรนอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมเสื่อมก็เสื่อมออกจากใจของบุคคลแต่ละท่านแต่ละคนแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมไปไหน มีอยู่ทุกยทุ ก, ทกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าจะมาฉี่และลาดพระองค์ก็มาตัดสรุปอริยสัจสี่นั่นเองมาได้รบเรือนไปไหนไหม่มาตัดสรุทุกสมุทัยนิโรธมัดนั่นเองจะมาฉีรและลาดพระองค์ก็มาตัดสรุอันเดิมไม่ได้รบเร้าพรบกันเลย อริยสัจเจสุเวันติปริวัตตังทวัสสะกาลังยะถาภูตังญาญาณัดฉะนังข้าข้าพเจ้าเห็นจำจริงแล้วยถาภูติยานของข้าพเจ้าถ้าไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำก็ไม่ว่าแต่เท่านี้เท่านั้นเท่านโนู้นพระพุทธเจ้าจะมีทีละล้านพระองค์ ก็ามาลบเรือนธรรมะไม่ได้เหตุนั้นจึงเคารบธรรมก็ไม่ว่าแต่พุทธชนคนหนาจะทําลายไว้พุทธศาสน า, างนี้พระสมมาเถ้าพทธเจ้าจะมาลบเรือนออกก็ไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นแหละใครจะมาทําลายผ้าได้เมื่อําลายดูดูลงไปยืนเป็นทิวแถวอยู่ที่ทุ่งกุลางจบตัว เมื่อนำลายเคลนฟ้าดูดูวมันก็ตกใส่หน้าของไขรเข้ามานั่นเองนั่นลมพัดมาตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงเตรียมถือว่ากำฝุ่นต้อนลมดูดูตาของไครเข้ามันมันก็เข้านั่นความฟ้าคว่างใส่ต้อนเสาดูดูคว่างไกลมันไม่ถึงคว่างใกล้นักมวยเอกก็หลบใม่ทันใช่ไหมนั่นนั่น ทำลายพระพุทธศาสนาก็คือทำลายตัวเองนั่นเองเพราะแต่ละท่านแต่ละบุคคลนั่นเองเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาผู้ไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็คือใจผู้ปฏิบ right ัต uh> ิพระพุทธศาสนาก็คือใจถ้าไม่มีใจก็ปฏิบัติไม่ได้ทำลายพุทธศาสนาก็คือทำลายของใจของตนนั่นเองนั่นนั่นนั่ทำลายพุทธศาสนาก็คือทำลายความดีของตนนั่นเองนั เครียดไฮมอสี่ยอดหายลงลุมมันบาเป็นแนว <S 2> <S 2> <S ไม่ผูใ้ใดทําลายได้ดอกพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทําลายไม่ได้ใครจะเทิดทูนให้สูงไปกว่านั้นอีกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพระไม่มีสิ่งที่จะเทิดทูนเสียแล้วอัปปมามโนพุทธโธคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีประมาณอยู่แล้ว อปมาโนธรรมโอคุณของพระธรรมไม่ม in ีประมาณอยู่แล้วอปมาโนสังโฆคุณของพระธรรมสง์ไม่มีประมาณอยู่แล้วใครจะลบออกก็ไม่ออกใครจะเพิ่มเข้าอีกก็ไม่ได้เพราะไม่มีที่เพิ่มเต็มยัดเยียดในใจโลกธาตุในใจักรวาลแล้วจะถอนออกก็ไม่มีที่จะทิ้งออกจะไปทิ้งออกไปไหนหรือเพราะมันเต็มยัดเยียดในใจโลกธาตุในใจจักรวาลแล้วเป็นอนัตตาคุณคุณอันไม่เกิดไม่ดับเลย คำสอน ใ, นใดๆในใตเรก็ธาตุมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาหมดเขมทิศจะมีกีล้านล้านมันก็ชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใ ด, ใดมันก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลเรียกว่าอรยะสัจธรรมอริยะสัจะรจริง ใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ไม่ไม่เป็นปัญหาไม่หาพักหาเสียงใดๆเล ย, เลย <c oughs> ผู้ที่จะรู้ตามใจจริงปฏิบัติตามใจจริงมันเป็นของหายานหนึ่งอะไรหนึ่งใครสองใครสามใครอันนั้นไม่ควเรเลืองท่านทั้งหลายไม่รู้ตามใจจริงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปสาบแช่งพวกท่านทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายก็ไม่ได้ว่านั่นนั่นจริงอยู่อย่างนั้น ทำไฟเกิดไฟดับก็เหมือนกันทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็เหมือนกันผู้จะวางแผนเบียดเบียนในพุทธศาสนานล้ว น, นะเออมันก็เท่ากับว่าจะหาไม่ได้พันประกาศไปคว้างใส่ภูเขาเหยียบมาอะไร <c oughs> มันก็ปลิวไปเลยมีน้ําสั้นปลิวข้อตาตนเองเหมือนเหมือนนํำลายเมื่อเกินฟ้าเรียกว่าแขวงเท่าหาเชีย่ยง ถูกไหมก็พระพุทธศาสนะอยู่ที่กับตัวของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะไปเบี่ยนเบียนที่ไหนเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็อยู่กับตัวแต่ละท่านแต่ละคนแล้วโลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์มันก็อยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนอทําดีก็เป็นของทิพย์อยู่ที่ใจทําชั่วก็เป็นของทิพย์อยู่ที่ใจผลของความดีความชั่วมันก็หลายคืนทับใจ มันไม่มันไม่ได้ไหลไปทับดินฟ้าอากาศเลย น, นแล้วโกรธให้ดินดินมันรู้ไหมแล้วโกรธให้น้าหน้ามันรู้ไหมแล้วโกรธให้ลมลมมันรู้ไหมแล้วโกรธให้ไฟไฟมันรู้ไหมเราโลบโกรธหลงให้ดินดินน้ามไฟลมมันรู้จักว่ารรเราโลบเราโกรธเราหลงให้มันหรือไม่กำไรใครก่อ ก็คิดใจเป็นผู้ก่อขึ้นในทางดีในทางชั่วคำว่าทิพเป็นของกลางทำผิดก็เป็นทิพในทางผิดทำถูกก็เป็นทิพในทางถูกลุมลุมฐานเพลิงก็เป็นทิพทางร้อนไม่ลงลุยก็เป็นทิพทางไม่ร้อนเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอก้าวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุฟังผลก็ฟัง เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุหลับผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุก็ดีพืชก็ดีกรรมก็ดีมีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำกลางถ้าไปทางดีก็เป็นเหตุอันดีเป็นพืชอันดีเป็นกรรมอันดีถ้าไปทางชั่วก็เป็ น, นเหตุอันชั่วเป็นพืชอันชั่วเป็นกรรมอันชั่ว ธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิส่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถันญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตันญุตาเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศศักสมบัติบริวานและความรู้คุณทําเรียงเท่านี้เท่านี้แล้ว ค, ควรอภิสตุนัยสมควรแกร่การที่เป็นอยู่อย่างไรสี่มัจันญาตาเป็นผู้รู้จัก สเสแวงนะเครื่องหรือยังชีวิตแต่โดยทางที่ชอบการันยตาเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรอันประกอบกินนั้นนั้นวันสรรยุตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนในกิจยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นเกตุคราโปรปันยุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครอบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครอบเป็นต้น อันนี้ภูมิของพระโสดาบันไม่ใช่ภูมิของพุทธชนคนหนาส่วนภูมิของพระอรหันต์สูงไปกว่านี้ส่วนภูมิของพระอนาคามีกาลเวทตกความส่งเสริมในกาลของท่านผู้ใดไม่มีพระญาบาตเวทตกความส่งเสริมในทางพยาบาทของท่านผู้ใดไม่มีวิหิงสาเวทตกความส่งเสริมในทางเวียนเวียนของท่านผู้ใดไม่มี นั้นถึงพระอนาคามีแล้วความสำคัญตัวไม่มีในที่ใดๆกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นข้ามเทเดหลงไปแล้วแผนที่มีอยู่แล้วเดินทางไม่ถูกตามแผนที่เดียวหลงตายจะนั่งภาวนาตลอดรุ่งตลอดคำก็าตามจะถือศีลจริงๆก็ตาม ถ้าเสียดายร่วงระมิดอบายมุกถ้าเสียดายร่วงระเมิดสินหาอยู่ถ้าเสียดายอยากกระถืออยู่ยงคงกระพันถ้าเสียดายอยากกระถือเลิกดีย่มดีอยู่ถ้าเสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นรนเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้เมาค้าขายยาพิษการค้าขายเหล่านี้ ระสวดาวันไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักกจทำไมจึงไม่เสียดายล่วงละเมิดเพราะเห็นชัดเป็นสมาธิธิว่ามันเป็นทางเสื่อมไม่มีทางเจริญมีแต่บวกไปในทางเสื่อมเป็นทางชิบหายโดยงงแจ ง, เ, จงเรียกว่าสมาธิธธเบื้องต้นไม่เหมือนู้ทุชนคนหนา สิ่งไหนสิบหายบรรยัติว่าจเจริญเช่นบรรยัติอบายยมุขว่าเป็นทางจเจริญเหมือนกันไอ้บ้าจริงๆถูกไหมความเห็นชยนั้นเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วหรื อ, อยังความเห็นที่เห็นกรมจักว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวก็ไปผูกเอเลขกอะ อบายมุขชุกชุมในโลกามนุษย์สาโลเกเขวจากธรรมคำสอนของพระบรมศาสด า, า, ามีข่าล้ำนรชนเหยยบย้ำตีเป็นเลขเป็นผาเพราะเหตุใดเพราะจิตใจไม่อยู่ระดับเดียวกันเราจะไล่มแมลงวันให้มันไปหาเกสรดอกไม้มันก็ไม่ไปอ้าปากไล่มันก็บินเข้าปากอีกเสียด้วยใช่ไหม เหตุนั mm ้นกรรมนาวัตติโลกะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจิงปฏิเสธไม่ได้ใครอยู่ในระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นใครอยู่ในระดับใดก็มีอิสระระดับนั้นใจมีอยู่สองใจโลกิยะโลกุตระศีลก็มีอยู่สองศีลโลกิยะศีลโลกุตระศีล สมาธิกโลกียะสมาธิโลกุตระสมาธิปัญญาก็โลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาตกากความประสงระบรนลงมาเป็นโลคีศีลเป็นโลคีสมาธิเป็นโลคีปัญญานั่นนั้นนั่นพระพุทธพระสมาสัมพุทธเจ้าจําแนกจําแนกคทำถ้าทําไมไม่อยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นจึงเราจึงเคารพทำ ไม่สําคัญตัวอยู่เนื้อธรรมเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่สําคัญตัวอยู่เนื้อธรรมเลยจึงเขารับธรรมแยบแบบแกบจมไม่กระด้างกระเดื่องเลยสัตโมโคารุกาตโบชาวโลกตั้งกฎหมายกฏหมู่กฏพักกฏผู้อกขึ้นไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะกรรมและผลของกรรม มันไม่โอดเอียงเขากับชั้นวันละใดๆเลยคนตระกูลสูงเทวบทเทวดาเย็นผมพยอมพระการจตุรโกบาลชัางสี่ไม่ลําเอียงเลยลูกฐานเพิงมันลําเอียงเขากับชั้นวันละไหมมันก็ไม่ลาเอียงน้ําแข็งอะมันลําเอียงเขากับชั้นวันละไหมมันก็ไม่ลําเอียงนั่นนั่นนั่นปัญหาภาะขาเสียงที่ไหนเอ มันไม่ได้หาพักหาเสียงพักอ่านว่าพักเสียงอ่านว่าเสียงไม่แลงวันไปถามมันดูดูมันก็บอกว่ามดคูดดีเสียงของมันมีมากบินปรื๊อยู่ตามทีวแถวต่ำๆมาหาเสียงกข้ามาแรงผู่มาแรงพึ่งดูๆูเราเว็นปรื๊ไปคราวเดียวเราก็ได้เจสอนมาและไม่ได้ทำให้ดอกไม้ของชาวสวนเป็นอันตรายเลย ไม่ให้บัวให้ท้ำน้ำให้คนแม้ถามยุงดูหรูมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันถามปลวกดูหรูมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันนั่นระดับใดระดับหนึ่งไปถามพระอรหันต์ดูหรูเราขี้เกียจแล้วแล้วผ่านในวัฏสงสารมานานเจอแต่อริจังทุกครั้งอนาจาเจอแต่ของไม่สมประสงค์เราเคล็ดลับแล้ว เราชนะความหลงของตนแล้วไม่กลับคืนไปหลงก่บพวกคุณอีกดอกพวกพวกพวกคุณเป็นทาดความหลงก็ไปหลงซักเราเหนือความหลงของเราแล้วเราไม่คืนไปอีกดอกนั่นพระรามนั่นพวกคุณยังหลงอยู่ยังไม่เช็ดลาบแต่เราเชล็ดลาบในความหลงของเราแล้วเราข้ามทะเลหลงอยู่ที่นี่แล้วถ้าไปข้ามที่อื่นคายฉีกตายต้องข้ามที่นี้ รบกับความหลงก็ลบอยู่ที่นี้ชนะกันก็ชนะกันอยู่ที่เมืองไกลแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไกลไม่ได้แพ้อยู่ที่เมืองอื่นพระนครหลวงใจนี่เองเราไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนจนเป็นใจเราก็ข้ามทะเลใจไปแล้วทำชั้นสูงของพระอาจานย์ของท่านผู้พ้นไปแล้วแล้วภาวนาทําไมภาวนาให้เห็นความจริงว่ามันจริงเป็นจริงเพียงแค่ไหน ทำไมจึงมาหลวงแท้ทำสมาธิทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ยืนดูสิ่งของถ้าไม่ยืนดูวิ่งดูมันไม่ชัดยืนดูยืนดูสิ่งของดูดูอันใดเป็นของเทียวออย่างนั้นนะสมาธิเมื่อเข้าไปหมดกําลังก็ถอนออกมานั่นคืออันนี้จังอันละเอียดใช่ไหม <laughs> ตาคาสมาธิก็ไปเกิดพมุมโกใช่ไหม เห็นแสงเดือนแสงดาวเห็นแสงสว่างเห็นแล้วก็หายไปนาทีนั้นเองนั่นคืออนิจจังใช่ไหมฮะฮกปรากฏเหาะเหินเดินอากาศภาวนาไปปรากฏเบาเยิ้วอย่างนี้หมดกําลังก็ถอนออกมานั่นคืออนิจจังอันละเอียดถ้าตายคาอันนั้นก็ไปเกิดพมลโลกหรือตามกําลังของชาตชาตินั่งไปว่าเพ่งอยู่ ส ม, สมาธิ์สมาธิแปลวะ่าตั้งมั่นในการเพ่งก็มีความอันเดียวกันหมายอันเดียวกันเหตุนั้นท่านผูกคนไปแล้วจึงไม่ติดอยู่ใดที่ใดทั้งสิ้นทำแต่ระบทระบาดส่งต่อพระพานทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นณโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระพานได้นะโมพระสวดาบัน เป็นนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมจนไม่ไม่หลงทางนโมพระสุวรรณคือนอบน้อมเคารพไม่ถือศาสนาอื่นไม่ถืออยู่ยงคงกระพันไม่ล่วงละเมิดศีลห้าเยาวนาโมเรียนนโมขั้นต้นเป็นโลกรัตระนโมแล้วนโมโลกีคืออะไรนโมเลขนโมผานโมวัตติโมเบอนโมนโมบ้าบอไปละเฉยเนี่ย ที่ใครเรียนนโมจบก็กพระรหันต์เรียนนโมจบนโมนอ้อมนอมไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกน้อมนอมไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงเลยไม่มีราคะโทสะโมหะเลยนโมพระอนาคามีไม่มีราคะไม่มีโทสะแต่โมหะของท่านมีอยู่เพราะท่านยังสําคัญตัวอยู่พระ อ, อนาคามีเป็นผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาก็สําคัญถูกแล้วทําไมจึงเป็นกิเลสนั่นเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าดเสมอเขาก็ทอมตนอันนี้ทําไมจึงมีกิเลสเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี้ก็ทอมตอนแล้วทำไมจึงเป็นกินเลสนั่นกิเลสละเอียดไหยกิเลสพระอนาคามีเป็นผู้เสมอเขา สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้เยอะยิ่งก็สมควรที่จะมีกินะสเป็นผู้เลิศเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็สําคัญถูกแล้วทําไมจึงมีกิเลสเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเรีวกว่าเขาก็ทอมตนอันนี้ทําไมจึงมีกิเลสตัวนี้ต่อไปอีกตีวนี้เป็นผู้เรีวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ยิ่งยเยอะยิ่งก็จะมีกิรลสก็ทุมฐานะอยู่ เป็นผู้เรวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ย่อะยินบ้างเป็นผู้เรวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาก็สําคัญถูกแล้วทําไมจึงมีเกเรตนั่นละเอียดไหมเกเรตทางพระพุทธศาสนานั้นส่วนพระทหารไม่สําคัญตัวในที่ใดๆเลยยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดๆเลย ยืนเป็นสักว่ายืนเดินเป็นสักว่าเดินนั่งเป็นสักว่านั่งนอนเป็นสักว่านอนตามสมมุติใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟั ง, ง, ง, ก, นน ก, ง, s, งก็สังขารและกองทุกเท่านั้นกายจสังขารตะกีสังขารจิตตางสังขารเท่านั้นพระนิพพานไม่แน่ผู้มาพูดมาฟังด้วยนั่นให้เป็นฐานะทาในอภิษฐาศาสนาเป็นของลึกซึ้ง ถึงจะลึกซึ่งสักเพียงใดก็ตามทนผู้สร้างบา ร, รมีสูงมาไม่ได้ทําไมจึงมีผู้เลื่อมใสวัตถุทธศาสนาน้อยนักก็เพราะบา ร, รมียังอ่อนอยู่ทําไมจึงมีปริญญาเอกด้อยนักก็เพราะเขากํำรีกําลังเรียนกอทลาคาขอทลาคาอยู่ใช่ไหมทําไมเราจึงอาบน้ำเพราะ ร่างกายมันสกรปรกทำไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันมีกิลเลสจริงๆใช่ไหม <c oughs> สั์ทาหลายอ้ซั์สเสือกสั์คาราดซัดไวยในน้ำดำในดินบินในอากาศมันจะไปพระนิพพานทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่มีคิวเพราะยังอ่อนอยู่ พระสมาจาพระพุทธเจ้ามาแต่ละครั้งละครั้งยุกยุกยุกย ก, ก็มาดรวยเอาสัตว์ไปเท่าเม็ดเห็นเม็ดตายในท้องมหามสมุทรสี่มหาสมุทรนับเม็ดหนึ่งก็วิญญาณดวงหนึ่งคือคนคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเม็ดหนึ่งสี่มหาสมุทรจะมากสักเพียงไหรถึงอย่างนั้นก็เทียบกับเขาโคเท่านั้น มาแต่ละข้งละข้งก็ได้เียงเขาโคส่วนค้นโคเขามอบไหว้ให้พระองค์หลังต่อไปในตัวสัตว์ทั้งหลายมันจะมาเรื่องใสพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่ยังไม่ถึงวาระของเขา เ, ออเช่นพราษาดีบุตรโมกคันลาก็มาจากสนชัยปริภาชกมาเรื่องใสพระพุทธศาสนา จึงสำเร็จพระสวัสดิวันถ้าอย่างนั้นก็อย่าหาบเลยมหาปเรณีพานสูตรหุือพระท่าใบกาทุนพระบรมศาตราพระชุบพรท่บวชในวันนั้นก็สําเร็จพระรหันในวันนั้นเป็นปฐิฉิมมสาวกพระหันส่วนปฐมสาวกพระรหันคือโกนทันยะแต่ก่อนเคยได้เป็นพี่น้องกันก็โกนทันยะ แต่เรื่องยาวเหยียบนะเนี่ยไม่ต้องพูดด อ, อกบุพรกรรมของพวกนี้เคยเป็นพี่กับน้องกันกญญ็พระโกลทันยะพระโกลทันยะรัตสรุ่กก่อนแต่ก่อนพระโกลทันยะเคยได้เป็นย่องท่องชายแต่ไม่ต้องพูดยาวเหยียบมากจุปัชสําเนจพระรหันแล้วบวชในวันนั้นบวชเอหิภูเขาสัมปทาท่านจงเป็นพิสูุมาเถิด ทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติประมอาจันเถิดพูดเป็นพธิธีเพื่อรับรองเข้าสงฆ์เฉยๆความเห็นอื่นๆนัดที่อื่นๆถ้าไม่ประมาจันยำพิทีแล้วขวัดปฏิบัติของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะสําเร็จสุบัตุพนโนช่ว ย, ยายะบ้างหรือไม่เขาจะฆ้ า, า, าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำ ถ้าทำไมไมีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้สันธหาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติเราไม่มีเลยเหตุ น, นั้นเราจึงเขารพธรรมชุบจตฺฺปโนโอุชุยญายะสามีจิก็มีแต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นๆไม่มีเลยตัวของเขาก็พุทธชนคนน้าเราดีนี่เองเขาจะเอาชุบจตฺฺปโนโอุชุญยายะสามีจิมาจากประตูใดละ่ะ พระบรมศาส น, นาถ้าไม่จริงก็พระไตริดกก็เอาไปเผาไฟทิ้งซะพวกประเทศไทยเราอย่านอนเฝ้าอยู่เขียงๆเขียนๆเลยลเราเออพูดตามนจริงถ้าจะยกย่องพระพุทธศาสนากรางเกียดก็เรียกว่าสันธาคติมีความรักใครกันเพราะรักใคร่รัฐที่อื่น ถ้ากโกรธให้พระพุทธศาสนาก็เรียกว่าโทสาคติถ้าขบพระพุทธศาสนาไม่เต็มก็เรียกว่าโมหาคติถ้าจะเคารับนับถือพระพุทธศาสนาก็เกรงจะเพียชาวโลกก็เรียกว่าพยาคติเกรงใครจะมาถึงตนอคติสประการนี้ไม่ควรประพฤติเพราะบรมาศราสลานักนักนกนกความดีคนดีย่อมส่งเสริม มูดคูดมะแรงวันย่อมส่งเสริม่อมแรงคู่มแรงพึ่งย่อมส่งเสริมเกสรดอกไม้ของใครของมันผู <c oughs> ้ตาเป็นจริงดอกวัชราก็มีอยู่ทุกๆุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยของโลกเราจะอยู่ในดอกชนิดไหนก็ให้เรารู้เองเห็นเองพิารนาเองจะไปหาเสียงกับคนอื่นมันก็ไม่ถูกบางที่ เขาเข้ามาให้คะแนนเสียงว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่ากี้เลสเรายังไม่หมดเราก็ผีบ้าบ้ายอดอกหรือนั่นถ้าเรามีกิเลสเขาจะว่าหมาก็าตามนั่นินดีเลื่อมใสเองงั้นเถิดเราจะไม่เกี่ยกล่อมพวกเธอทั้งหลายแล้วพูดไปตามตรงๆเลยพระบรมศาสนาถ้าเราเกียกล่อมเอารางวัลมาให้พวกท่านทั้งหลายพวกขุนทั้งหลายเลื่อมใ ส, สศาสนาพุทธ เดี๋ยวถ้าหมดตังแล้วพวกคุณก็ขบดคืนใช่ไหม น, นจูกไหมพราะม่อเชนเองนั่นเกลือ <c ười> <c ười> มันเข็มขนาดไหนกิบดูดูกินดูหูก็หายสงสัยบางท่านก็บอกว่าพระบรมศาตร า, ษาคนตายแล้วเกิดไหมมีบุญไหมมีบาปไหมสัต์ตายแล้วศูนไหม แลตาแล้วเกิดไหมพระบรมศาสดาก็นิ่งนิ่งด้วยจนมุมหรือไม่ไม่ได้นิ่งด้วยจนมุมเพราะเหตุใดตาของกับผมบอดแล้วหรือเดชฉันบอดแล้วจงบอกวิชาสนเข็มให้เดชฉันกับผมบ้าผู้บอกก็ผีบ้าผู้มารียนก็ผีบ้าใช่ไหม <laughs> มันเสียวเวลาทั้งสองฝ่ายไม่ใช่พระบรมศาสดาจะตอบ ไปตะพึ้ตะพือเลย ส, ส่วนลูกปู่ก็ตอบว่าลูกปู่ตอบไปตะพึ้ตะพือบางทีวิญญาณมีจริงไหมผู้ถามก็เอามาโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามาโนวิญญาณตอบก็ไม่ควรถามกันแล้วกระผมทางนี้เอ <c oughs> ส่วนลูกปู่ตอบเขาอย่างนั้นทีนี้คนตายแล้วเกิดไหมผู้ถามก็เอาก้อนตายก้อนเกิดมาถามผู้ตอบก็เอาก้อนตายก้อนเกิดไปตอบก็ไม่ควรถามกันอีกใช่ไหม น้าน้าผูตอบอย่างนั้นสีนี้ทําชัดสูงทเนี่ยเห็นเราหายใจเข้าข้างเดียวก็เห็นโรกรอบหนึ่งแล้วเวน้นไว้จำไม่ต้องการเพราะเห็นอณิจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโรกรอบหนึ่งเพราะโรกใจไม่ด้วยอณิจังสิ่งที่ไม่เที่ยงรอมหายใจออกข้างหนึ่งก็เห็นอณิจังแล้วเห็นทั้งทุกขังอนัตตาสัมพยุสกันอยู่ด้วยเห็นทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอง็นทั้งกระดูกสัมพยุสกันอยู่ด้วย เราจับหน in so so ังก็ถูกเนื้อถูกเอ็นถูกกระดูกเหมือนกันจะว่าจะถูกหนังล้วนๆมันก็บ้าจริงๆใช่ไหมเราเห็นหน้าเขาเห็นตาเห็นจมูกเห็นแก้มกันใช่ไหมแต่เราพูดอักษรย่อว่าเคยเห็นหน้ากันฉันใดก็ดีเมื่อเห็นพระพุทธอยู่ที่ไหนก็เห็นพระธรรมทรงอยู่ที่นั่นพระสงฆ์อยู่ที่นั้นเห็นอนิจจังอยู่ที่ใดก็ทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นั้น เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายอยู่เท่าไรก็เห็นเกิดแก่เห็นความเกิดอยู่ที่ไหนเห็นความแก่ความเก็บความตายก็อยู่ที่นั่นก็เกิดก็อยู่นี่ค้อนแก่ก็อยู่นี่ก้อนเก็บก็อยู่นี่ค้อนตายก็อยู่นี่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะสิ้นความสงสัยของตนได้เอ้าเห็นทุกในปัจจุบันเห็นอันนี้จัิงในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตอนาคต ก็ไม่ต้องสงสัยด้านวิปัสสนาปัญญาศีลด้านศีลตัดศีลลงที่นี้สมาธติตั้งมั่นลงในที่นี้ปัญญารอบรูปลงในที่นี้นั่นไตรซิขารวมพลกันอยู่ที่นี้นั่นปัญญาย ะ, ระ บ, บริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ในชั้นไหนไหนก็พระปัญญาปัญญาโลกัมมิภัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสินาข้อ ถ้ามีปัญญารอบลูกก็มารวมเป็นข้อเดียวกันเป็นเชือกคาดเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจนะสินแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวมารวมอยู่ที่ดวงใจสินสองรยสิเกดก็เหมือนกันไตรสิขาก็าแปดหมื่นสีพระธรรมกันก็เหมือนกันโยมบางองค์บางท่านมาเห็นพระบรมศาสีราพระพรมพอวะพรพระบรมสาราีร า, รามองเห็นพลัดเดียว รู้แล้วโยมคนนี้มันจะสําเร็จพระนานในวันนี้มันจะแตกฉานาไปที่สัมพิทาสีด้วยพระองค์รู้แล้วจะกรอนพาไปเขเลยพูดพระบระมา ศ, ศาสดาเทศแท้ทเกล้าฟังด้วยเออเดี๋ยวนี้เรากําลังเป็นทบาทอยู่จะพูดไปตามกรอนไอ้ที่แท้รู้แล้วบางทีพระบระมา ศ, ศ า, าสดาสิ้นลมปรานเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเกล้าสิ้นลมปรานเดี๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไปยากเนอะ เป็นอสักวารูกเป็นอสักวาเห็นครับพอแล้วนั้นนั่นนั่นั่ น, น, นพระเหตุอะไรพระเหตุดอกบัวมันกําลังจะบานพระอาทิตย์มามันก็บานมันกำกําลังจะบานเนี่ยเพราะบารามีแก่ข้ามาแล้วนั่เหตุนั้นจึงว่าทําแต่ละวัตระ บ, รบาดส่งต่อพญิภานทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบารามีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นคําว่าเป็นอสักวารูกเป็นอสักวาเห็นหมายความวายย่ายังไง คือไม่ยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้ยึดถือว่าเรามีในผู้รู้ผู้เห็นไม่ได้ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเป็นเรารู้แล้วก็หายไปแล้วล่วงไปแล้วเห็นแล้วก็รู้แล้วก็หายไปล่วงไปแล้วถึงจะรู้ตธรรมจริงก็เหมือนกันจึงไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหตุนั้นโมหกิตเตความรู้อวิชชาตันหาอุปาทานกรรพบอัตวาทุปาทานความสําคัญว่าตนไม่มีในที่ใดๆ อุปทานทั้งฝั่ก็แตกก็เจิงไปนะที่นั้นเอ๊ดัดดัดดัดดัดลูกระเบิดปรมาโูทำลายตู้เดียวเลยเออเออความโง่ก็แตกกระเจิงเลยมีแต่ความฉลาดเหลืออยู่นี่นี่นี่ลืมตาขึ้นก็แตกกะเจิงเลยถ้าอย่างนั้นเพื่ลืมตามาแล้ว ข้าพรเจ้าจะขอล า, าท่านไปละไม่ได้ว่าอันหยาบๆอ ย, าอย่างนี้นะนท่านเป็นผู้ข้าพรเจ้าเป็นผู้มืดท่านลืมตา ม, มาแล้วข้าพรเจ้าจะลาท่านไปละไอ้มืดเอ๋ยไม่ได้ว่าเนี่ยมันไปแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> มื่อชนะมีมหาสติมหาปัญญาชนะอัตตาทุปทานความเพียรว่าตวนว่าตัวว่าเราว่าเขาแต่ก็เจิ่งไปแล้วมันก็มหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญา ความเขาทั้งหลายก็แตกไปหมดนั่นเพราะไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราแต่พวกเราเนี่ยมันจะถือผู้รู้เสียค่าเรียนจนถึงปริญญาเอกปริญญาโทไม่รู้จะข่าเรยน